คำสอนที่เรรู้ว่าปชิมโอวา่าสองบท น, นี่หัวท้ายนะมีความสำคัญมากแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะพระธรมเทศนานี่ยาวนะยาวเป็นสิบสิ บ, สบเป็นสิบกว่าหน้าส่วนปชิมโอว่าเนี่ยมีความยาวแค่สองสามบรรทัดเองนะมีข้อความว่า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 เมื่อกียตมานะได้เล่าได้พูดขึ้นมานะก็คือให้เร่งทำความเพียร น, นะเพียงแต่ว่าในปฐมเทศนานี่จะเน้นเรื่องความทุกข์หรือว่าทุกขังแต่ว่าในปชิมโอวาสเนี่ยจะเน้นเรื่องอนิจจงนะความไม่เที่ยงอันถ้าเราสังเกตสักหน่อยนะอ่าพระ เ, เจ้านะได้ ปรับรบถึงความไม่เที่ยงเพื่อเป็นเหตุผลให้เราทำความเพียรนะด้วยความไม่ประมาทนะแต่ว่ามีคำสอนบางแห่งนะที่พระาจ้า์นพูดถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ว่าสรุปอีกแบบหนึ่งที่เด่นใช้ก็คือคาถาบังสกุลตายเนะี่ย ที่เริ่มต้นเด้ยว่าอ น, นิจจาวัตสังขาราเนี่ยอันนี้พวกเราไปงานศพเราก็จะคุ้นเคยมาเวลาพาท่านบังสุกุลก็เรว่าชักอ น, นิจจาข้อความก็ไม่ยาวนะพออกับประชิมโอวา่าเนื้อหาใจความก็คือว่าสังขารทั้งหลายนะไม่เที่ยงหนอนะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว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 เพราะว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงบทสรุปนี้ไม่เหมือนกันนะปัจฉิ ม, มว่ากับคาถาบังสกุลตายนะก็ปรารบถึงเรื่องความไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่าปัจฉิ ม, มว่าบอกว่าให้เร่งทำความเพียรส่วนคาถาบงสกุลบอกว่าให้ปล่อยวางถามว่าขัดแย้งไ้วก็ไม่ได้ขัดแย้งนะเพียงแต่ว่าเป็นการเสริมมากกว่าปัจฉิ ม, มว่าเน้น นะเรื่องการทากิจนะสรุปง่ายๆนะั้นในเรื่องการทำกิจก็คือว่าให้ทำความเพียรกิจหน้าที่ใดที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ายังทำไม่ครบก็ต้องรีบทำซะซึ่งเรียกรวมๆก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านะเพราะว่าเวลามีน้อยนะจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะต้องเรียกทำความเพียรโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทส่วนมาสกุลตายเนี่ยนะ ในเรื่องการปล่อยวางซึ่งในที่นี้หมายถึงการทาจิตนะทำจิตปล่อยวางจิตไม่ก่ อ, กอเกี่ยวไม่ยึดมั่นกับสิ่งใดนะไม่ได้ขัดแย้งกันนะเพียงแต่วัเนเด่นคนละจุดนะนะคำสอนหนึ่งก็ในเรื่องการทำกิตอีกคำสอนหนึ่งก็ในเรื่องการทำจิตนะสองอย่างนี้ควบคู่กันนะนะคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยท่านจะสอนให้ทั้งทำกิตและทำจิตเสมอนะ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 ให้บำเพ็ญพรหมวิหารสี่นะแต่ว่าตกหล่นเรื่องสังขาวัตุสี่ไปก็เลยเกิดพฤติกรรมประเภทว่าที่เขาพูดจาแบบเหมือนกับวิพาวิจารว่าคนไทยหรือาชาวพุทธไทยชอบแผ่เมตตาอยู่ในมุงนะแผ่เมตตาอยู่ในมุงคือว่าไม่ได้ลงไปช่วยไม่ได้ออกไปช่วยใครนะได้แต่แผ่เมตตาอันนี้ที่เขาวิจารณ์ก็ถูกบางส่วนนะเพราะว่า าชาวพุทธไทยเราจำนวนมากก็เข้าใจแบบนั้นเพราะว่าเราสอนแต่เรื่องผมมิหารสี่แต่ว่าตกหล่นเรื่องสังคาวัตถุสี่ที่ถูกคือว่าต้องทำกิดและทำจิตพร้อมๆกันไอ้การเจริญสติก็เหมือนกันนะเวลาเราเจริญสติเนี่ยเราก็ทำกิจไปนะจะเป็นการทำงานกินข้าวหันผักซักผ้านะ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 อารย์พทธาธรรมบอกในการทํางานคือการปฏิบัติธรรมก็ความหมายหนึ่งก็คือนี่แหละก็คือว่าทํากิจ ด, ด้วยทําจิต ด, ด้วยนะอันนี้พูดถึงเรื่องการทําจิตเนี่ยนะก็มีคําสอนอีกข้อหนึ่งนะที่อ่ผู้เจ้าได้ปรารถนะก็คือคําสอนเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางเพราะอะไรปล่อยวางเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราได้นะ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 เวลาปวดเวลาเมื่อยนะเราก็สั่งไม่ได้ว่าให้หายปวดหายเมื่อยนะอันนี้เพราะฉะนั้นนต้องปล่อยวางนะสอนว่าปล่อยวางว่าอย่าพุดธเยอก็เป็นของเรานะร่างกายไม่ใช่ของเรานะสมบัติบ้านเรือนก็ไม่ใช่ของเรารถ ก, ก็ไม่ใช่ของเราแต่คนนี้เนี่ยคําสอนอบบนี้ทําให้คนเข้าใจผิดเยอะที่จึงไม่ใช่คนเขไม่ใช่ทําให้คนเข้าใจผิดหรอกแต่ว่าคนตีความผิดไปเอง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 เพราะว่าเขามีบุญคุณกับเราหรือเพราะว่าเขาเป็นประโยชน์ต่อสัอ ร, รพสัตต์แต่มีบางคนก็ไม่เข้าใจนะเคยมีชาวบ้านบางคนนี่แอบเข้ามาตัดสมุนไพรเนี่ยไม่รู้จากไหนมาตัดสมุนไพรบ้างมาตัดไม้ในวัดบ้างสมัยนั้นยังไม่มีไม่มีคำไม่มีกำแพงล้อมรอบวัดก็มีคนมาบอกก็เลยธารมาก็เลยบอกให้พระนี่ช่วยไปไปไ ป, ไปตามหานะ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 ปฏิบัติผิดนะไม่ทาไม่ทากิจสมัยที่หลวงพ่อชา ย, ยังมีชีวิตอยู่ น, ยนั้นท่านก็นเคยไปเคยเล่าว่ามีคราวหนึ่งก็ไปมีเกิดเกิดฝนตกหนักนะแล้วก็มีพายุแล้วก็กุฏิบางหลังก็โดนพายุพัดจนกระทั้งหลังคาแหว่งหายไปครึ่งหนึ่ง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 หลวงพ่อชาว่าดเนี่ยปล่อยวางต้องใช้ปัญญานะมันไม่ใช่วางเฉยแบบวัวแบบควายนะอันนี้ท้านไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทำอะไรนะปล่อยวางมันเป็นเรื่องการทำจิตนะส่วนการทำกิจก็ต้องทำตามเหตุตามปัจจัยเช่นมันหลังคารั่วก็ต้องซ่อมป่วยก็ต้องรักษานะอันนี้ต้องเข้าใจในเรื่องอคำสอนพุทศาสนาเนี่ยท่านปล่อยวางเนี่ยนะ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 เพราะว่าเกิดอาการพระวงนะแล้วก็เครียดเวลาทางานเนี่ยเราปล่อยวางได้นะปล่อยวางตามระดับความสามารถของเรานะเริ่มจากการที่เราใจอยู่กับปัจจุบนันปล่อยวางอาดีตปล่อยวางอนาคตนะอย่าไปสนใจจุดหมายปลายทางหรือผลสาเร็จมากไปนะจริงอยู่เราทำงานเพื่อหวังผลสำเร็จ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 ที่จริงเนี่ยอย่าว่าแต่การทํางานทางธรรมเลยการทํางานทางโลกก็เหมือนกันนะนีมีนักปีนเขาคนหนึงแกชื่อบรูซเคิร์บี้เนี่ยเป็นนักปีนเขาเรีกที่โชคโชนมากนะผ่านการปีนเขาที่สูงที่สุดของทุกทวีมาแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์แล้วแกก็สรุปประสบการณ์การปีนเขาเป็นบทเรียนว่าเนี่ยท่านแกบอกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูน่ากกกกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกล เวลาจะปีนเขาเนี่ยโอยเอเวอเรสนี่ถ้าไปคิดถ้าใจไปจดจ่อที่จุดหมายคือยอดเขาเนี่ยจะจะท้อง่ายนะมันเป็นทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทันจะปีนละเพราะว่าเห็นความลำบากไหนจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนวกว่าจะถึงแล้วแกเพราะว่าเทคนิคการปีนเขาที่ทำให้แกสำเร็จมานักตอนหน้าคือสนใจแต่เพียงพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปข้างหน้า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 ตาก็จะมืดบอดนะแล้วก็จะยิงไม่ถูกนะมองเป้านะเป็นสองเป้าไปเลยต่อเมื่อลืมนะลืมรางวัลลืมผลสาเร็จนะการยิงนั้นเนี่ยก็จะสาเร็จได้นะก็คือยิงได้ถูกเป้าก็เหมือนกับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างที่แกะสะลักหลังอ่หลักคังเนี่ยแกะสะลักหลักคังได้สวยมากนะด้วยด้วยด้วยไม้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 แล้วเราจะพบว่านะความเครียดมันลดลงนะเรื่องนี้ในพระหมหาชนกท่านก็เป็นแบบอย่างนะเราคงจําได้พระหมหาชนกเนี่ยฉากสําสคัญก็คือฉากที่เรือเดินสมุทรจมลงไปแล้วก็เรือแตกกันนะพระหมหาชนกก็ลอยคอยอยู่ในทะเลมีม้อยู่ผืนหนึ่งอามีม้อยู่แผ่นหนึ่งก็พยายามที่จะว่ายเข้าฝั่งว่ายผ่านไปหนึ่งวันก็ยังไม่ถึงฝั่ง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 อ่าก็เลยจําน้นนะแล้วก็ช่วยพระหมาชนกอันนี้พระหมาชนกเนี่ยท่านทําความเพียรนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะแต่ท่านก็ทําอันนี้ก็เรียกว่าท่านอ่ามุ่งการทําเหตุให้ดีทําความเพียรโดยที่จิตเนี่ยปล่อยวางผลนะหมายความว่าสําเร็จไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรฉันก็จะทำํำนะ ไม่ใช่ว่าทําโดยที่ไม่หวังผลนะแต่ว่าเมื่อไหว้เมื่อลงมือทําแล้วเนี่ยก็วางนะใจก็วางเรื่องผลซะไม่ใช่ว่าสําเร็จจึงทําถ้าไม่สําเร็จก็ไม่ทํานะอันนั้นไม่ใช่วิสัยชาวพูทธนะวิสัยชาวพูทธเนี่ยเรามุ่งประกอบเหตุนะส่วนผลเน่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราลองทําอย่างนี้ดูนะเราจะพบว่าการทํางานมันเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นนะงานก็สามารถจะสําเร็จได้นะ อย่างที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณผมกุณาภร์เนี่ยท่านพูดว่าเนี่ยงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนะได้ผลเพราะว่าทำเต็มที่และเป็นสุขก็เพราะว่าใจไม่สี่เรียดนะมีตัวอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากนะเป็นตัวอย่างของอคุณป้าชาวเกาหลีนะแกชื่ออะไรนะชื่อชาซาซุนมั้งตอนที่เป็นข่าวเนี่ยแกอายุประมาณหกสิบแปดปี นะเมื่อปีห้าสองเนี่ยมันเป็นข่าวเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือแกเป็นแม่ค้าขายผักนะแล้วแต่ก่อนก็มีรถที่ว่าจ้างขนผักให้แกตอนหลังเนี่ยแกต้องขับรถเองแกจะขับรถแกก็ต้องมีบใบขับขี่แกก็สอบใบขับขี่มาครั้งแล้วครั้งเล่านะสอบภาคปฏิบัติได้แต่สอบข้อเขียนไม่ได้แกไม่เคยสอบถูกได้สามสิบข้อหรือหกสิบคะแนนเลยสอบไม่ถึงนะสามสิบข้อนเนี่ย มันเป็นข่าวเพราะว่าแกสอบมาแล้วใน775ครั้งนะเดือนกุมภาปี52คนตกใจมากหนิมึงสอบ775ครั้งเหรอแบบนี้เมืองไทยเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะมีคนแบบนี้เพราะว่าถ้าสอบสามครั้งไม่ได้ก็กซื้อละหรือไม่ก็ใช้เส้นใช่ั้ยไม่ซื้อก็เส้นอนะ่ะมีสองอย่างแต่เกาหลีมันทำกันไม่ได้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 ผลที่ทําความเพียรมากเลยแล้วถ้าลองคิดอีกหน่อยนะคือถ้าแกเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับผลสําเร็จว่าต้องสอบให้ได้สอบให้ได้นะแกสอบได้สักสิบครั้งแกก็เลิกละคือท้อนะเพราะว่ายิ่งยึดมั่นถือมั่นนะกับความสําเร็จมากเท่าไหร่เนี่ยพอไม่สําเร็จเนี่ยมันจะผิดหวังง่ายแล้วจะผิดหวังมากแล้วก็ทําให้ท้อจนเลิกทําความเพียรการที่แก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 เราไม่ต้องเพียนอย่างคุณป้าคนนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวอย่างของแกเนี่ยเอามาใช้นะในการทํางานเนี่ยอัตมาเชื่อว่างานที่เราทําเนี่ยนะมันจะมันจะได้เป็นอย่างที่ท่านเจ้าคุณพรมคุณาพรบอกว่าคือว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนะเร า, เามาใช้ควาว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเนี่ยเอามาใช้ได้กับการปฏิบัติธรรมก็ได้เอามาใช้การทํางานก็ได้ นะเอามาใช้กับทั้งทางโลกและ ท, งทางทํามได้ทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราวางใจให้เป็นนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกักบการประกอบเหตุนะส่วนผลนั้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างที่ภาษิจริงเขาว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์นะส่วนความสำเร็จเป็นของฟ้าอันนี้พูดแบบจีนนะพูดแบบเตา๋าแต่พูดแบบเพื่อคือว่ า, าความพยายามเป็นของมนุษย์นะตัวนความสำเร็จเป็นเรื่องเหตุ ป, ปัจจัย